วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางคุตธาสานาดังที่หาทมพิธีบูชาดอกไม้ทุกเถียนและมีคำแปล ى, ที่ว่าไปแล้วนั้นเราพอจะเข้าใจกันได้แต่ขอพูดยอ่อยๆให้เข้าใจทีหนึ่งวันนี้เป็นวันสันหะ เป็นวันสำคัญเป็นวันที่เราพากันลึกคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไดรัดตัดสรูเป็นพระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรกได้โปรดประทานพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าที่ป่าอกสีปันตนาโมรดปรทายวัน ในตำนานท่านกล่าวว่าธรรมเทศนาจบลงแล้วนั้นเสียงอึกกรเลือกคือก้องดังขึงขุมมโลกอันนั้นตามตำนานท่านเล่าไว้ถ้าหากมาพูดให้คนสมัยนี้ฟังก็งหัวเราะกันตายเพราะเขาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ ถ้าจะพูดเนี่ยเข้าใจกันในง่ายธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสในครั้งนั้นตรัสอริยสัจธรรมทั้งสี่คือแสดงถึงเรื่องทุกข์เหตุด้่เกิดทุกข์และก่อนความดับทุกข์ทางใหถึงถึงความดับทุกข์นี่สี่ประการ พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนานั่นเป็นเทศนาลึกซึ้งสุุมมากยากที่จะเข้าใจและไม่ต้องพูดอื่นไกลแล้วสมัยเดี๋ยวนี้ล่ะทั้งทั้ที่ตัดจะทรรมทั้งติมีเพราะมีในตัวของเราทุกข์คือทุกกายทุกใจเได้เกิดทุกข์ก็คือความไม่อิ่มไม่พอ ความทเทยยอยทะยานดินลนมีเท่าไหร่ก็ไม่ขอมีมากแต่กะยิ่งอยากมากความทุกในการอยากในการบริหารในการใช้าการสอยไม่เห็นเป็นทุกข์ถึงแม้จะทุกข์ก็เลยไม่ยอมรับทุกข์ลืมตัวอาวิยาสัตคือเหตุได้เกิดทุกข์มีอยู่ แต่ไม่รู้จักทุกไม่แต่ละไม่เป็นพระองค์พระพุทธองค์สอนนั่นสอนเหตุให้ให้เกิดทุกข์คือความทะเยอทยานนี่พระองค์สอนอย่างนี้เมื่อละความทะเยอทยานความ ท, ทาุกข์ทั้งหลายก็หายไประดับศูนย์ไปปัญญาความฉลาดเฉียดแหลมซึ่งจะรู้อรอยิยสัจคือรู้สัจธรรม ของจริงนี่ไม่มีพอพระพุทธองค์ทรงตรัสเท่านั้นละ่ะผู้ปัญญาผู้มีปัญญาฉลาดโดยเฉพาะซึ่งปัญญากวนทยะรู้เห็นตามที่พระองค์ทรงตรัสเทศนาเรียกว่าเด้ดวงตาเห็นธรรมคนทั้งหลายพากันอยากจะเห็นสัดจักะแสวงหาสัดจักะของจริงนี่ทุกแห่งทุกคน ดังเราจะได้ทราบประวัติในสมัยนั้นบรรดาขณาจารย์ทั้งหลายใหญ่โตพอถานมีบริวารโดยตัทมากมายหรือว่าจะพากันแสวงหาทางน้นจากทุกข์คืออริยรสัจแสวงหาทางน้นจากทุกข์แต่ไม่มีไม่ถูกทางสักคนพระพุทธองค์ท่านผู้ใจเจ้านั้นถูกทางองค์เดียวเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แนหะ เสียงอกระเลิศคึกก้อมันก็ต้องเกิดขึ้นมาเลยสิมนุษย์ก็เออกระเลิศคึก ก, ก, ก้องเพาเป็นของอัจฉริยะเป็นของไม่มีใครจะเทศไม่มีใครจะสอนก็บอกมันทางให้มนุษย์คนผู้มีปัญญาฉล า, าดถึงแม้จะเรียกว่าเทวดาหรืออินทร์ศพก็ใช้ได้กระเทือนหมดเลยเป็นของแปลก ดังคนเราตัวของเราแต่ละคนนี่แหละเราอยู่กับทุกข์ถ้ามาพิจารณาเห็นทุกข์เราจะตื่นตกใจเลยโอ้โหตัวของเราทุกทั้งตัวตัวของเรานี่ทุกข์ทั้งเพแต่ทําไมมันไม่เห็นตื่นตกใจคล้ายๆกับว่าตึกกล้องดังขึ้นมาด้วยตนเองถ้าต่างคนต่างมีความรู้สึกนึกคิดได้อย่างนั้นก็เรียกว่าตึกก้องในทุกๆคน พอย่างนี้เข้าใจง่ายนี่วันนั้นแหละวันที่พระเ ด, ดเจ่าตรัสเทศนาคล้ายๆกับวันเนี้ยวันเข้าภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพากันมารา ล, ลึกคิถึงวันเช่นนั้นเพื่อให้เกิดภาษาทศถาเรื่องใสในวันเช่นนั้นวันนี้เช่นคล้ายๆกับวันเช่นนั้นแหละถ้าหากเราระลึกได้อย่างนี้แล้ว มันจะซาดซึ่งก็ประสิทธใจของเราคือวันนี้จะเป็นวันดีที่สุดเป็นวันที่ดีมงคลเหมือนกับพระองค์เทศวันนี้เรามาถึงวันนี้คล้ายกับว่าเราได้เทศได้ฟังเทศพระองค์อย่างใกล้กับวันนั้นงั้นเราจะทําอย่างไรจรึงจะให้เป็นอย่างนั้นจึงจะให้ได้สําเร็จมาผลผานีล่พานเราเห็นธรรมะอย่างสัญญาโทษญาเราต้องเป็นลูกศิษยของพระองค์คนหนึ่ง เราก็ต้องทําให้เหมือนท่านสิพระญาติควรท่ญาติท่านยังดูแจ้งเห็นธรรมเราก็จะต้องทําให้ดูแจ้งเห็นธรรมถ้าหากเราแล้วเลือกถึงวันนี้ค่ายกับวันเช่นนั้นแล้วเรามาประดิทานตั้งประฏิษฐานในใจของเราเราจะฟังเทศคือฟังอริยรสัจธรรมซึ่งตัวเรามีพร้อมอยู่แล้วทุกคน ให้เห็นอริยสัจธรรมรู้อริยสัจธรรมจนเกิดดวงตาเป็นเห็นธรรมขึ้นมาอย่างพญากุณะก็จะเป็นประโยชน์แก่เรามากทีเดียวไม่เสียเวลาเวลาวันผ่านไปปีหนึ่งจึงจะมาประสบเช่นนี้วันเท น, นี้วันทีหนึ่งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันจึงจะมาประสบเช่นนี้วันเดียวเมื่อวัน ตั้งปีจึงประสบเช่นนั้นเราควรที่จะทําใจของเราเกิดศาสนาตถาเรื่อมใสแล้วตั้ง<ป>ใจปฏิบัติเรียกว่าปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติเพื่อได้เจ้าตรชมเชยสนรเสริญนักห น, กหนาการปฏิบัติเรียกว่าปฏิปฏิบูชาเท่านั้นที่จะยังาศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไป อามิตบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและของหอมด้วยประการต่างๆไม่เป็นทางที่จะยังศาสนาเจริญงอกงามต่อไปได้กาลังคิดดูสิทุกคนหากหาตันบูชาได้้องไม้ทูบเทียนอย่างเดียวไม่รู้ทำเห็นทำทำจะตั้งมัน่นอย่างไรอย่างไรมาจยังพูดอยู่เสมอ าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้บูชาไม่ให้ไม่ได้สอนให้นับถือไม่ได้สอนให้บูชาท่านสอนให้ปฏิบัติตั้งหาถ้ากัพากันนับถือพากันบูชามันกลายเป็นของขังของสกษษษษษปิปไปแล้วหรอบูช า, าศาสนานับถือาศาสนาอ้อนวอนร้องขอ ขอให้พุทธศาสนาประสิทธิ์ประสัดให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มั่งมีเรืรุ่มรวยขอให้ป่าช จ, จากโลคาอาพาสกราบแล้วกราบเราไหวและวไหวเราศาสนาเท่านั้น่าป้องกันพยันะลายถ้าหาว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเกิดความเสือ่อมสูญได้ปการต่าง เห็นไฟไม่บ้านไม่เรือนก็นดีจริงของสูญหายไปด้วยการต่างๆโจรพ้นขโมยโทษศาสนาละพันโอ้ยนับถือศาสนาไหว้วอนมานไม่จ้าตกี้มั่งตะกี้เท่าไหร่แล้วศาสนามาช่วยจะเลยี่เนี่ยคนที่ไม่เห็นศาสนาบูชาาสนาไม่รู้จักศาสนาในอย่างนี้ ศาสนาที่แท้จริงท่านไม่เด้สอนอย่างนั้นท่านสอนว่ารูปฟังพิคเวนตตารูปทุกสิ่งทุกประการแม้แต่าภาพร่างกายตัวเราก็เป็นนตตาถ้ารูปอันนีนะ้เป็นของเราแล้วก็บอกมันได้ละสิอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าไข่อย่าปวยอย่าตายนะแต่นี้หายได้เป็นแค่นั้นมา มันเป็นแบดาวสภาพของมันท่านสอนอย่างนี้ไว้ท่านสอนไม่ใช่ไม่ให้เกยให้เจรให้ตายรูปนับแต่ตัวของเรานี่ไปรูปไปไหก็ตามที่เกิดขึ้นมาเป็นปรากฏแล้วต้องเป็นอนัตตาทั้งหมดในอนัตต ร, รคณะสูตรที่พระองค์ตรัสเทศนาลำดับของธรรมจักรกับพ ร, รวัตนูตร คือพระพุทธเจ้าตรัตเทศนาปฐมเทศนาคือธรรมจักรวั ต, วตนสุขอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี่คืออธิบายถึงเรื่องทุกเกิดเกิดทุกความดับทุกพฐานถึงความดับทุกมิติอยา่างนั้ น, นการแรกปฐมเทศนาขั้นแรกล้ำดับต่อมาการที่สองพระองค์เทศนาอนัตตลักษณะสุขอย่างทอธิบายนี่เอง รูปเป็นของไอ้เที่ยงไอ้รูปไม่ใช่ของเรารูฟปปังพิเศษนาตาดูความิเศษทั้งหลายรูปเป็นอนนาตาถ้ารูปเป็นอัตตาคือเป็นของเราแล้วก็ต้องบอกให้ได้ห้ามฟังอยู่ในบงังคับบัญชาของเราคงยกอนาตาขึ้น่อนยิ่งเป็นของอาจญากรในสมัยนั้นเพราะลัทธิต่างๆ สอนอัตตาทั้งนั้นคือให้ถือให้เอาพระพุทธเจ้าสอนไม่ถือไม่เอาสอนของที่อมีอยู่แต่ไม่มีสาระใช้การไม่ได้ท่านมาให้ถืออาจจะมีปัญหาถามขึ้นก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาสงสัยขึ้นมาแสดง รูปคือตัวของเราไม่มีสาระอย่างไรหเราใช้มันได้ประโยชน์ใช้มันทำการทำงานเพียังสาเร็จประโยชน์มาได้ใช้มันศึกษาเล่าเรียนให้ได้วิชาความรู้ทำการทำงานสาเร็จประโยชน์ทำไมจึงว่าไม่มีสาระถูกอยู่ เราเช่าบ้านเขาอยู่ค่าขายเจริญ ง, งอกงามก็อาศัยบ้านเรือนเขาถูกเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ท่านพูดลึกซึ้งเข้าไปตรงนั้นอีกระยะไปตรงนั้นอีกบ้านเรือนที่เราอาศัยเช่าเขาค้าขายต่อไปหลายปีก็ต้องชำระสุดส่งตั้งตนน้นแต่ปีหนึ่งขึ้นไปละ่ะหรือเดือนหนึ่งขึ้นไปละ่ะพอเสร็จเทร่ทําบ้านทางเรือพุ่ย เก็บเครื่องมือเท่านั้นแหละนับวันได้วันเก็บเครื่องมือมีจะต้องแก่ติดต้องค้ำค่าไปโดยลาดับอันนั้นหาไม่ได้ไม่มีใครหา ไ, ได้สักคนเดียวนั้นพูดถึงเรือเรือนบ้านที่เราเช่าแต่การทําอาหารกินไปตามเรื่อ ง, องพูดทําค่าใช้จ่ายเจริญหรือเสื่อมมันแล้วแต่ ผู้ที่มีปัญญาฉล า, าดเฉียบแหลมแล้วชั้นใดเรือนคืออัตภาพตัวของเราก็เหมือนกระเรือนนั้นแหละมีการทำระทุกโคมทุกวันเจไปทุกวันไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่จบคนคือใจของเราผู้ที่อยู่อาศัยนั้นหาฉล า, าดเฉียบแหลม แล้วก็ทามาค้าขายจเจริญงอกงามด้วยการปิจรารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ในตาภาพในมั ว, มวเมาเห็นโทษเห็นทุกข์ในสังขานในมัวเมาประมาทรีบเล่งทำมาหากินหรือค้าขายให้มันทันกับเวลาพวกไม่ประมาทนั้นจะต้องค้นขวยหาคุณงานคดีทุกทุกททาง จพิาาเห็นสษานร่างกายจะเป็นของแตกดับที่ตธอเวลาเ้วรีบเร่งสร้างคือ ง, งานครงมดีคพื่ออุปจิตใจไม่เพิ่มเพินมเมาทำใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิพาวนาจนรักษาใจของตนได้ทั้งที่อยู่ในขณนะนี้ในอนาคตหากว่าอันนี้จะแตกดับตรงไปแล้วก็มีความสงบอบรโสตของเราให้มัน่นคงเรียกว่าเราหา หาเจริญอกเห็นนั่นจริงท่านยังเรียกว่าอนัตตาคือของไม่มีสาละหมายความทั้งว่ามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราเราบอกมาได้สอนได้ฟังยังเรียกว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยพระองค์ตรัสเทศนาลำดับที่สองของธรรมจักรนี่เป็นความแปลกมากในสมัยนะั้น เพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาหรือบูชาศาสนาด้ดออาหมิตเนือนับถือศาสนาหลืกอลายเรื่ของสติศาสนาไม่ได้สอนให้ถือมีบทบาลีเป็นเกรือ้างอัคาตาโลจดะะถาคตาปฏิปั น, นาปโมกคันจักเนื้อความเั้นว่าเราตถาคต เป็นได้ผู้บอกผู้สอนผู้แนะนำตักเตือนท่านทั้งหลายผู้ฟังนั่นแหละปฏิบัติตามหากจะเป็นผู้พ้พนจากทุกได้นี่มีความท่านแสดงไว้ชัดเั้นกันแต่เราเคยถือกันใะระบูชากันเน้อดอกไม้ถุกเพียน ก็เลยเอาถือนั่นเป็นของขังของศักดิ์สิทธิ์เหตุนั้นพุทธศาสนาสอนของจริงที่เรียกวพุทธศาสนาสอนของจริงคือมันจริงอย่างนี้แหละบูชาและนับถือเฉยๆมันไม่ใช่ของจริงต้องปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นจนเห็นอนัตตาคือของมีสาระดังที่ว่านี้จึงจะเป็นถึงของจริง มมีปัญหามากมายถ้างั้นไม่ต้องบูชากันหรือดอกไม้ทุกเพียรบูชาเหมือนกันแต่อย่าไปสําคญหมายมากหน อ, อันนั้นเป็นของจริงถ้าหากว่ามีเครื่องบูชาเหล่านี้มันก็เศราเหมือนกันเราทำเครื่องสักการะบูชาให้สะอาดสะอ้านเสร็จสมงงดงามเป็นเครื่องทำใจของเราเพิดเพลิน ทำใจของเราให้เปิดเกิดปดาษสาจสจะพาเรื่อมใสจิตใจใเบิกบานเพราะเห็นเครื่องส ก, การะทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกามาไปย้นส่วนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ไหมให้ําททำเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แกงแกงของศาสนาแท้ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นการบูชายังไม่ทันถึงเปลือกเลย ทันพูดทั้งเรื่องจริง่งคล้ายกันก็สิ้นโมาเปลี่ยมันก็ศิ้จริงเนี่เปลียมันก็สินในริงไม้น่เปลี่ยมันก็สิ น, นะ น, สนสมธมที่เปลี่ยมันก็เปลือก ป, ปัญญาโนมาเปลี่ยมันก็ขี้ดีมุดความหลุดพ้นเนะี่ยเปลี่ยมันก็แจงศาสนาแท้คือวีมุด พจจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติศาสุด์ศานาอยู่ตรงนั้นหากเรายังไม่ได้ถึงตัวนั้นก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรดอกในทางที่ดีเราทำไปเถอะการเคารพนับถือศักราบูชาด้วยอมิกก่อได้แต่ยะงไม่สำคัญว่าใะเป็นของจริงของจังเจนแท้คือวิวมุตติพนสำคัญในนั้นการถือ การบูชาคือการถือนั้นยังไม่ทันถึงแจงแทนถ้าหากเราปฏิบัติมีสินจะเป็นสินห้าสินแปดกรรมบุตรสิบหรือสินสิบอย่างสามอเนกสินสองร้อยยี่สิอย่างละให้มั่นอยู่ในใจของตนจริงจังแล้วก็เรียกว่ามีจิึ้นมาแล้วมีจริง ม, มีใบขึ้นมาแล้ว น่นนะมีกิ่งมีใบต้นไม้ต้องมีกิ่งมีใบถ้าไม่มีก็เรียกว่าต้นไม้ตายถ้าเรามีอันนี้อยู่มีสิ่งก็เรียกว่าเรามีกิ่งาศาสนาอยู่ในตัวเราแล้วถ้าเรามาหัดทําสมาธิสมัมมลพิจิตใจเอาตนให้ตั้งมั่นแน่วแน่คือบังคับแต่งตนใจเปลือกมีแล้วไม่ตายต้นไม้ต้นนี้มีเปลือกอยู่ ชาตนาคือตัวของเราในะมีเปลือกแล้วถ้าเราไม่ปัญญาคิดะะารณาเห็คนความเสื่อมความดับเห็นอนิจจังทุกขังนาตาซึ่งเป็นของไม่อยู่ในตัวของเราเห็นชัดไปจักแจ้งโดยจิจนให้เกิดความสลดสังเวทภายในตัวเราในตั้อนทุกตัวทุกเป็นของไม่เที่ยง พาวอนไม่ใจตัวตนเราเพียงอาศัยพึ่งพาอาศัยเขาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเรามีปัญญาวิจน า, าเห็นอย่างนี้ศาสนาคือกับที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วสิ่งใดที่เราละได้เช่นเราเคยโกรธถูกอกถูกใจไม่ได้โกรธหรือไม่ได้ยิช้าที่สัญญาไม่แทกพระเาบาตอาจ่าจองร้านจองฐานมองใครเห็นเป็นผิดทั้งหมด ดูใครเห็นเป็นไม่ดีทั้งนั้นซื้อตนไม่ใดถ้าเราละได้เวลานี้เพราะเราพิจารณาเห็นคนเราไม่เหมือนกันเราจะไปสอนให้เขาดีทั้งหมดไม่ได้แม้แต่ตัวเราก็ยังไม่ดีเห็นโทษตนอย่างนี้แล้วระงับได้ น, นั้นเรียกว่าวิมุตส่วนหนึ่ง คือพ้นอยากความโกรธต้อิจฉาริษยาได้และนั่นเห็นแก่นขึ้นมาแล้วล่ะได้แก่นนิดนี้ได้หน่อยปรากฏขึ้นมาแล้วแก่นศาสนาปรากฏขึ้นในตนัวขงเราแล้วความโลภทะเยอทะยานไม่ไม่พอไม่จะอีกจะพอนอกจากโลภอยู่ภายในใจเรตจนไม่พอ เห็นคนอื่นร่ำรวยและคิดอิจฉาเกิดความอิจฉาทิสยาขึ้นไหมแห็นคนอื่นเขาร่ำรวยมีเงินมีทองมีเครื่องของสมบัติมากมเกิดอิจฉาทิสยาก็ ข, าขึ้นมาอีกโลภแล้วจะกลายไปถึงอิจฉาเดือดร้อนทําใจเราให้เดือดร้อนเศร้าหมองครั้งนี้เราไม่เห็นเลยบุญกรรมวาสนาบารมี ของแต่ระบุคคนเหมือนกันถ้าหาบุญของเขาเคยทําไว้ดีทํานิดนิดหน่อยไม่พอได้ก็ได้ไม่พอดีก็ดีไม่พอเจริญก็เจริญบางคนนั้นทาแทบล้มแทบตายก็ไม่มีไม่รวยก็ไม่เจริญบุญนั้นแข่งกันไม่ได้วิชาความรู้หรือกําลังเดี่ยวแรงแข่งกันได้แต่บุญบุตรมีแข่งกันไม่ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ มันก็เบาผ่อนคลายลงไปทั้งเรื่องนิสัยจกตใจต้นอื่นอันนั้นก็เรียกว่าเราพ้นไปได้พ้นอันนั้นไปไวิมุตหลุดพ้นไปได้อันหนึง่งเรื่องอื่ น, นะพวกทั้งหมดอ่ะถ้าหากแล้วป เ, ลเปลี่ยนจิตใจแล้วเปลี่ยนนิสัยใจคออันไม่ดีไม่งามได้เรียกว่าเราพ้นไปได้จะได้คิดออกเป็นวิมุตเหมือนกันเดี๋ยวไปเอาวิมุตอย่างของพุทธเจ้าหรืออริยสงสารบกเลย มีมุดของเร า, เาหมู่นี้แหละให้รักษามีมุดของเร า, เาหมู่นี้ไว้ให้ได้เมื่อพ้นแล้วอย่ามากลับงอกงามขึ้นมาอีกถ้ามันกลับงอกงามขึ้นมาอีกเราดื้อเท่าหลังมาละยาเมื่อละได้แล้วจงตั้งใจให้รักษาสิ่งที่เราละนั้นจะให้มันกลับคืนมาอีกเพียรพยายามตลอดเวลาเพียรละความชั่วนั้นเมื่อละคนเกิดรักษา ย่งความดีเกิดก็รักษาความดีไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปนี่เรียกกับปฏิปฏิบูชาบุชาแบบนี้จะศาสนาอย่างขาบอนถ้าหากเราบูชาอย่างนี้ด้วยกบังมากศาสนาก็กา จ, ะจะเจริญงอกงามในตัวของแต่และบุคคลคนหนึ่งละได้ อีกคนหนึ่งละราคะอีกคนหนึ่งละโทสะอีกคนหนึ่งละมานะอีกคนหนึ่งละทิฏฐิอีกคนหนึ่งละอิจฉาลิทยาอีกคนหนึ่งละความพูดเพ้อเจ้อแลวเร็วไหลพูดโกหกหลอกลวงคนละย่างละอย่างละคนละอย่างละอย่าง ต้องลองคิดดูจะดีไหมชาวพุดของเราอันนี้ไม่ได้เป็นงานไหนโดยมากอยากให้คนอื่นละจะตนเองไม่ละขอให้เขาละจะก่อนเราถึงจะละมันเป็นจะอย่างนี้โดยมากหากเขาละแล้วตนเองทั้งไม่สังไม่ส า, สาจะละหรือไมละก็ไม่สั่งเขาโกรธเราก็อยากให้เขาหายโกรธ เราจึงจะไม่โกรธนี่นเป็นอย่างนี้ถ้าเราเขาโกรธเราเขาไม่พอใจเราทําไม่ดีกับเราเร า, เราทําดีเสียคนอื่นกับเรื่องของคนอื่นเร า, าเป็นเรื่องของเราทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็สบายสิมันก็ดีคือมาที่โลกบางคนมีพูดบอกว่าแย่งกันมาว่าเขาไม่ทําเนี่ยเราทําดีแสนดีเขาก็ไม่ทาตามเรานี่ย ไปถือได้ศาสนาก็แย่ที่เราคือศาสนาคนเดียวก็แย่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราคนเดียวศาสนาพระเจ้สอนหมดทั้งโลกให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ทั้งนั้นให้ปฏิบัติอย่างนี้เดียกันทั้งนั้นหากว่าเขายังไม่ทันรู้และเขายังไม่ได้ปฏิบัติและเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่ทันยอมรับแลว้วก็มาละเจตจักร เข้าใจแล้วละเสียให้ถอนได้ปล่อยวางเสียมีคำหนึ่งที่พระองค์ตรัสเทศนาเขาโกรธเราถ้าเราโกรธตอบเขาเราเลวกับเขาพระพุทธเจ้าตรัสอะไรอย่างนี้ทําไมยังว่ า, างนันก็ออย่างอธิบายมาแล้วเนี่ยเขาโกรธเราเราก็รู้จักว่าไม่ดี แ, แล้วก็โกรธตอบเขาเ่้นะเรารู้จักว่าไม่ดีเราเป็นชิง เของไม่ดีเข้ามามอาเป็นเจ้าของใช่ไหก็เร็วเขาจะจีบเองใช่ไหมคราไม่ดีแล้วปล่อยขอขอเขาใช่แล้วก็จะไปจริงต้องตามมาสิผู้ใดเขาโกรธเราเราไม่โกรธตอบคนนั้นได้เชื่อปฏิบัติตามทำคําคสั่งของเราตถาคตคนนั้นได้ชื่อว่าบูชาเราตะถาคตพรองค์ตรัสไปอย่างนี้ นี่ถ้าเป็นตัวอย่างอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาได้ยังนี่เห็นอย่างนี้แล้วปฏิปฏิบูชา ย, ย่างอื่นก็ทํานองเดียวกั น, นจึงว่าในวันนี้แหละเป็นวันสารถาทางปราลบมาในเบื้งต้นท่านัญญากรทัญญาท่านได้ฟังพระธรรมคําสอนพระเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมสมมติว่าหากว่าเราไปได้ฟังร่วมท่านในครั้งนั้นอ่ะ ทั้งสี่องค์ร่วมพระญากุลทะยะก็คอยพากันได้ความรู้ของเข้าใจฉัน้นเลยคอาหารเดียกันทั้งหมดเดี๋ยวนี้หากเรายังไม่ทันท่านในวันนั้นมาวันนี้ทันท่านแล้ววันเค่นี้แหละพระองค์เทศเทศนาพญากุลทะยะเราทันในวันนี้แล้วพากันมาฟังใชมาฟังอย่างอธิบายก่อนนีอน่อริยสัจ อ, อ, อย่างที่ว่ า, าก่อน ทุกให้เป็นของควนกำหนดไม่ใช่ของควรละคมว่าทุกนันคือตัวของเราทั้งตัวพูดง่ายๆ ไ, ไม่ใช่ของไม่ใช่ของควรละละไม่ได้ทิ้งไม่ได้ไม่ใช่ไปทิ้งให้ใครใครก็เต็มแปทแทแ่ทุกคนแล้วทกจแต่ทุกคนละทิ่งให้ใครก็ไม่ยอมเอาทกคนเดียวแล้วทิ่งมันก็ไม่ไป เามันติดอยู่กับตัวของเราไปทิ้งใครใครรจะมารับสมมติว่าเรากรุ่มใจแล้วเราโกรธกันตา่างก็ยังแสนสุดขีดทีเดียวหล่ะใครจะมาแบ่งแบ่งเราไม่ได้หรอกแบ่งแล้วขอแบ่งกับเราก็ไม่ได้ดีไม่ดีจิต้ํ า, าโกรธซ้ำ ม, มาเขามาขอแบ่งอย่างลราโกรธจนสุดขีดอ่ะฉันขอเธอไม่ใช่ฉันเธอะ มันเหลือแบะเหลือแบะเหลือหาไมา่ได้แกเหลือแบะบเหลือห า, าให้ฉันจะเถอะรับว่าหาว่าขอเยอะเยอะหรอจริงจโะโกรธนะครูเก่ามัเป็นงไงเลยหรอเหตุนั้นจริงว่าทุกข์ไม่ใช่ของทิ้งได้แต่เป็นของควรกำหนดคําว่ากําหนดหมายความว่าให้รู้เท่าให้รู้เรื่องของทุกข์นี่พวกตรเทศนาในวันเท่ยอย่างนี้ สมุทัยตั้งหากที่ก็เป็นของส่วนญละสมุทัยคือความใช่เยอทยานดิน้นหล่นคือความอยากได้ไม่สี่งไม่พอสิ่งที่ชอบใจก็ไม่ทิ้งสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่ทิ้งตัวสมุทยัยเท่านั้นเองสิ่งที่ชอบใจทั้งริงอะไรที่เรารักและชอบที่สุดไม่ยอมทิ้ง สิ่งที่ไม่ชอบใจคือของโกรธของอิจฉาก็าเดือดร้อนรุ่นวายรุ่มใจอันนั้นไม่พอใจจะเที่ยงไม่ได้คือตัวตันหานี่เหตุจะเกิดถุกพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละเสียละยังไงคะนี่ลคะลคือให้เห็นว่าอันนั้นไม่ใช่ใจใจไปยึดต้งหาอันนั้นไม่ใช่ตัวใจ เดิมไม่มีใจของเราเดิมมาก่อนไม่มีในขณะนี้ทํรราไมมันต้องมีเพราะฉะนั้นอยู่แสดงว่าใจไม่มีเช่นนั้นแต่เราไปยึดออกมาเลยกลายเป็นของมีอดีตที่ล่วงแล้วไปน ม, มนานตั้งหลายปีลองคิดดูสิแล้วก็โกรธใครสักคนหนึ่งแล้วไปเกลียดใครสักคนหนึ่งคิดไต้ระยะทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งแล้วลึกมาลองดูสิระ ล, ลึกในวันนี้เดี๋ยวนี้พอโกรธแล้วจะวูบว่างขึ้นมาทันทีทางท่าที่ของมันหายสูญไปน ม, มนานแล้ว เพราะฉะนั้นเราให้เข้าใจว่าใจของเราแท้ไม่มีเรื่องนั้นเราถึงละได้ถ้ามันอยู่ที่ใจแล้วมันใครจะไปละได้เรื่องนี้มันไม่มีที่ใจเราจึงเผื่ละได้ของที่มันจอนมาจังหัดผงละออ ง, งต่างๆที่ ม, มาเกาะผ่าหรือเกาะกระจกของเราก็ตามของสะอาดเสียมะเกาะนั้นเรียกว่าไม่ใช่เนื้อแท้เข้ามัน แล้วปัดแล้วเป่าแล้วเราละแค่ต่อไปไรสะอาดปกติไม่ใช่จไม่ใช่ของจ่เหตนนั้นเรามาพิจารณาไม่ใช่จ่ายคือความทะเยอทะยานคือตัวตันหาอันนี้เป็นของจอรเราละทิ่งตัวสมุทัยด้วยเราเข้าใจอย่างนี้เราปล่อยเราอย่าไปยึดออกมาไว้จันใจมันก็หายไปได้ตัวสมุทัย ปัาเตมดไทยหมดไม่มีตัวเตมาไทยทุกก็เห็นชัดนี่โลดมันวิ่งเข้ามาหาเมื่อไร่ก็ไม่ทราบมันไม่อยู่แทนที่แล้ครับตอนดับทุกเลยหายไม่มีทุกแลอะไรหายหมดไม่รู้ตัวไม่ทราบมันหายไปได้เมื่อไหรตัวทุกตัวนั้นมากคือความรู้ความเข้าใจชราเทียบแรงที่เราพิจารณามาทั้งหมดที่เราค้นคว้าตรวจสอมาทั้งหมดจนกระทั่งมันหลุดออกไป เรื่องกิเลสเราจะไปจากใจอันนั้นหแหละเกิตัวมมะแล้วเกิดพร้อมๆกันในทีนั้นเห็นนั้นนั่นยังแสดงว่าอาริยสัจทั้งสี่คือมรรคทั้งแปดไอม้ 8, มรรคแปดมรรคมีองค์แปดคือสมาธิถี่เป็นต้นหรือจะเรียกว่ามรรคแปด 8, รวมลงเป็นสีนสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมในขณะเดียว อยู่ในที่เดียวกันด้วยเหตุนี้เพราะว่าปัญญาตัวเดียวน่ะขนาดเฉียบแสามารถกาจัดที่ดินทั้งพวงได้เขาเรียกว่าทุกบางของควรกาหนดสมไทัยบางของควรละทุกบางของควรกาหนดเราได้กําหนดแล้วทังสมุทัยบางของควรละเวลาแล้วนิโรธป็นของควนท่างแจ้งให้เราทําให้แจ้งแล้วมากบ้งของควรเจริญเราได้เฉริญแล้วเห ล, ล, ลืออยู่ในที่เดียวกันหมด ้แสดงออกไปเป็นผนกแผนกทแท้ๆที่จริงอยู่ในทีเดียวกันนี่แหละการที่เราจะไม่ถึงวันอัตถหากันเช่นนี้แล้วจงพากันปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยตามอุบายที่อธิบายวันนี้ตามธรรมเทศนาที่แสดงมานนี้บูชาพระรัตนตรัยเรียกว่า ปฏิบ ต, ติบูชาอันล้ำเลิศประเสริฐสูงสุดบูชาพระรัตนตรัยท่านเอาไหมล่ะลองคิดดูเราปฏิบ ต, ต, ติบูชาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยท่านเอาไหมล่ะเราท่านไม่เอาหรอกดวงเรานี่เป็นคนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ น, น่าเลยสิน่าจะทำะํำหรือไม่จะทําคนอื่นนี่ทําเพื่อตอนเองมันก็เป็นสิ่งที่น่าทำและน่าเลื่อมใสน่าปฏิบัติอย่างยี่ นี่ธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันนี้เราพอสรุปรวมเจ็ดคมโดยยันยอดเท่านี้อ่านไปถ้าไม่จ้องไปหาที่อื่นเมื่อเกิดขึ้นมาที่นี่บูชาเถ่าไหายพุทธธรรมประสงค์เลยหมดเรื่องไปจิตใจมันวุ่นวายสงสัยไปปหนุนหนีอะไรต่างๆ้าไหม น, นั้นไม่อยู่ของที่อบูชาไปแล้วมีนี่เราบูชานี่แหละให้เป็นเครื่องบูชาพุทธธรรมประสงค์อย่ามาเป็นของเรา เมือนกับรบูชาพุทธรูกเลยแล้เดน ด, ดอกไม้ออกจากต้นมาแล้วมอบให้เลยถวายพระเจ้าเขาพุทธรูกเลยหมดเราไม่ต้องไปห่วใหญ่ไม่ต้องขอเรียกกลับคืมนมานั่นี่กือเหมือ น, นให้เป็นวันบูชาจริงจังจะไปห่วงไว้ถ้ายัางเสดายจะบูชาไม่ได้บุญอย่างลองลองคิดทคิดดู เราดอกไม้ก็ถวายพระเขาก็่าสวายในคิดจะได้อยู่นั่นคอเรียกกลับกลืนมาไม่ได้บุญหรอกในบูชาพระเจ้าเนาะเหมือนกันดอกไม้ทูกเทียนอะไรอ่างนันถาไปบูชาคิดจะได้ก็ไม่ได้บุญเห็นมันแล้วเท่าจะบูชากระยอบูชากันจริจรังจวันนี้ยังไงก็เป็นวันบูชาจริงเราได้ของอะไรนี่ที่มีอยู่ในตัวของตน ให้เห็นว่าของนั้นเป็นของดีนีค่ะพระจ้องค์สรับมดัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีได้ไม่ดีรับมดเลยพระองค์รับออกไปริ้งไม่ใช่พระองค์เอาพระพุทธเจ้าไม่ได้รับออกไปเอาเหมือนกับคนธรรมดาสามัญคนธรรมดาสามัญสิ่งที่ชอบใจจนะรับ สิ่งที่ไม่ชอบใจกับโกรธไม่พอใจก็รับออกรับอครมโกรธสิ่งที่ชอบใจรับเอาโดยคนชอบใจสมัคใจคนดีใจสิ่งที่ไม่ชอบใจรับเอาโดยควโกรธเลยเอาทั้งสองอย่างไม่ยอมทิ้งทั้งอย่างเจ้านพิธโรงนะทรงรับเสมอภาพเอาแล้วแต่ว่าไม่ได้ทงเอาไปทิ้ง คือพระองค์ไม่มีเสียแล้วในใจในประไถ่ของพระองค์ไม่มีแล้วไม่ตล้าไปไว้ไหนเอาไปไหว้ก็ไม่ตล้าไม่มีที่เก็บจุไอเอาไปแล้วทิ้งเลยเหตุนั้นให้บูชายกบูชาพระเดชเจ้ทาทั้งหมดเปียงทุก อ, อย่างถ้าเราไม่ต้องเอาอะไรเอามันทิ้งแล้วได้ของไม่เอา คือของว่าข้องสงบความเย็ยนเย็ยนเป็นสุขนั่นเรานเป็นผลตอบแทนถ้าเราทิ้งได้มันได้ตรงนี้พูดง่ายง่ายนี่ว่าพุทธศาสนาสอนให้ทิ้งทิ้งเราจึงได้ถ้าไม่ทิ้งเลยไม่ได้อ้ทางนี้ต่อไปตั้งใจบูชาเอาใจไว้ตรงกลาง ให้เห็นใจเป็นของกลางด้วยก่อนคราบที่จิตตรงสายเป็นอาการของขมปิดกลางเดิมมันเป็นกลางที่มันสรงสายนั้นมันออกไปจากสสากลางเพราะนั้นเราไม่เอาระยะขาของเป็นกลางถ้าหากล้วมันจัดตรงนั้นไม่ได้เอาพุตโทไปไว้ดินดให้อยู่ตรงพุตโทนั่นแหะ ไม่ได้ส่งไปนานนะไปหลังอดีตนาคตรเอาคำหนึง่งลงปปัจจุบันให้อยู่ที่พุทโธ